ก็ไปถึงตำบล อ, อ, อุรุเวลาเสนานิคมไปเห็นภูมิภาคที่น่ารื่นรมมีราวป่าเป็นที่เพลิดเพลินใจมีแม่น้ำไหลเอื่อยมีท่าน้ำสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคโจรขามหมู่บ้านที่บินธบัตอยู่โดยรอบ สถานที่ดีสปายะสถานที่สปายะหมู่บ้านสปายะแสดงว่าสังคมถิ่นนั้นเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมเน่ยนะเป็นคนที่ใจดีบ้านเมืองสงบร่มเย็นเนี่ยตำบล น, นี้ดีมากพอไปถึงเสร็จพระองค์ก็คิดว่าภูมิภาคที่สถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่น่ารื่นรมน์เนอมีราวป่าเป็นที่เพลินใจมีแม่น้ําไหลเอื่อยมีท่าน้ําสะอาดดีน่ารื่นรมมีโครจรคาม ตั้งอยู่โดยรอบเป็นที่สมควรเริ่มบำเพ็ญเพียรของกุลบทผู้ต้องการจะบำเพ็ญเพียรมันเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดที่จะปฏิบัติการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเนี่ยนะเหมาะสมที่สุดเราก็เลยนั่งณนะที่นั้นอันนี้รวบรัดเลยนะนะรวบรัดไปนั่งที่นั่งนั่งตรงไหนโพ ท, ที่บัลลังเลยไปไปเจริญสรุปก็คือ ท่านไปคิดแบบทเวทาวิตร ก, กสูตรก็เรียกว่าพูดไปแล้วเนี่ยนะไปตรึกแบบอะไรเป็นเรียกว่าแยกสัมมาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะไปจําแนกว่าอะไรเป็นอัาธาอาทีนวะนิสรณะของมหาปูต ร, รูปสี่อัาธาอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้าอสาธานิสรณะอาทีนวะของผัสสะยตนะหเนี่ยนะ หรือเรียกว่าชาติชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะดับก็ชรามรณะดับไปได้ก็เพราะว่าดับชาติชาติมีภพเป็นปัจจัยชาติจะดับได้ก็ต้องดับภพภพมีอุปาทานเป็นปัจจัยถ้าจะดับภพได้ก็ต้องดับอุปาทานอุปาทานมีตัณหาเป็นปัจจัยถ้าจะดับอุปาหานได้ก็ต้องดับตัณหาตัณหามีเวทนาเป็นปัจจัยถ้าจะดับตัณหาได้ก็ต้องดับเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็ไข่ครวญแต่รวบรัดมาที่ โพธิที่บา ล, ลังเนี่ยนะโพธิที่บา ล, ลังก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลวิชาสามปฐมยามระลึกชาติได้มัชชิมยามเห็นสัตว์เกิดสัตายปัจฉิมยามพิจารณาอริยสัจจนได้ตรัสรูก้ก็ถือว่าเป็นสิ้นสุดลงก็เรียกว่าพูดแบบรวบรัดซึ่งพระพิสูจน์เหล่านั้นท่านก็ไม่ได้เข้าใจที่อะไรนะที่วิปลาสคลาดเคลื่อนจากคำสอนอะไรคือพร ะ, พ, ะพียงแต่แยกให้เห็นว่าถ้าท่านทั้งหลายออกบวชแล้วท่านต้องการอะไรกัน อันนี้ยกตัวอย่างของพระองค์แล้วพระองค์เนี่ยสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐคือสแสวงหาพระนิพพานนะและพระองค์ก็ได้พบพระนิพพานที่พระองค์บอกว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราโดยตนเองเป็นผู้มีชาติคือความเกิดเป็นธรรมดารู้ชัดโทษของสิ่งที่มีชาติคือความเกิดเป็นธรม ร, ธมมนธรมดาสแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่เกิดเป็นธรรมที่ดับความเกิดซึ่งหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ เป็นธรรมที่กเกษมจากโยคะสําเร็จแล้วใช่ไหมในที่สุดก็ได้ตรัสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าแทงตลอดอริยสัตว์พ้นจากชาติคือความเกิดตัวเราเองเป็นผู้มีชาติเป็นธรรมดาทราบชัดโทษสิ่งที่มีเข้าไปทราบชัดสิ่งที่มีชราเป็นธรรมดาทราบชัดสิ่งที่มีชราเป็นธรรมดาแสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับความชราเป็นธรรมที่ไม่ชรา หาทำอื่นยิ่งกว่ามิได้กเกษมจากโยคะเรานั้นโดยตนเองเป็นผู้มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาทราบชัดโทษสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาแสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับความเจ็บป่วยหาความเจ็บป่วยมิได้หาทำอื่นยิ่งกว่ามิได้กเกษมจากโยคะเรียกว่าเป็นธรรมที่ปลอดภัยจริงๆนะปลอดภัยจากความเจ็บป่วย เราเป็นผู้ที่มีความแก่เป็นธรรมดาทราบชัดโทษใน เ, เราเป็นผู้ที่มีความตายเป็นธรรมดาทราบชัดในโทษสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาสแสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ตายเป็นธรรมที่พ้นจากความตายเป็นธรรมที่ดับความตายหาธรรมอื่นยิ่งกว่านี้ได้กเกษมจากโยคะ เราเป็นผู้มีความโศกเป็นธรรมดาสแสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ดับความโศกหาความโศกอื่นยิ่งกว่าหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้กเกษมแล้วก็ปลอดภัยจากโยคะเราเป็นผู้ที่มีกิสังกิเลสความเศร้ามองด้วยทุจริตตัณหาและทิฏฐิเป็นธรรมดาทราบชัดโทษสิ่งที่มีสังกิเลส เป็นธรรมดาสแสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานที่ไม่มีสังกิเลตไม่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาซึ่งหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้กเกษมจากโยคะนะก็สรุปว่าเป็นอันว่าตรัสรู้มรรคผลนิพพานใช่ไหมตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับทุกตรัสรู้ธรรมเป็นที่สงบทุกขเบื้องต้นก็เป็นคนที่มีความเกิดแก่เจบตายเป็นธรรมดา เมื่อก่อนหน้านั้นก็สแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมนาท้ายที่สุดก็มาสแสวงหาทำที่ดับความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายก็ได้ตรัสรู้ทำเป็นที่ดับความเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นญาณทัศน์คือปัจสัพพัญยุตยานก็เกิดขึ้นแก่เราและก็วิมุติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดอันนี้ปัจจเจกขณะญาณก็พิจารณาถึง อรหัตผลมีมุดที่ไม่ียว่าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงที่จะต้องพัฒนาเพิ่มพูนขึ้นและก็มิมุติอันนี้มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะซึ่งนิพพานเป็นธรรมที่ไม่กำเริบเพราะพบใหม่อชาตินี้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเรียกว่าชาตินี้เป็นที่สุดเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปปฏิสนธิในกาลมาพบรูปประพบอรูปประพบจะไม่มีแก่เราอีกต่อไปก็สําเร็จเกิดเป็น พระอารหันต์ใช่ไหมเมื่อเป็นพระอารหันต์ก็อรหังสัมมาสัมพุโทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทวนุตโรปุริสธรรมสาระิสาถาเทวมนุสสาหนังพุโทโภพขวาวัลสำเร็จกิจของพระาศาสดาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราได้มีความดําริว่าธรรมคือสัจจะทั้งสี่ที่เราได้บรรลุโดยเฉพาะนิพพานกับอริยมรรคนี้เนี่ยนะเป็นธรรมที่ลึก ลึกก็แปลว่ามันไม่ตื้นเลยมันไม่เป็นของง่ายๆเป็นธรรมที่เห็นได้ยากเป็นธรรมที่รู้ตามยากเป็นธรรมที่สงบโดยเฉพาะโลกุต ร, ธรนะธร ร, รรมเนี่ยนะจริงๆแล้วอริยศาสตร์เนี่ยนะการที่จะกําหนดรอบรู้ทุกขละสมุทยัยธรรมนิโรธให้แจ้งเนี่ยถือเป็นเป็นของลึกเห็นยากรู้ตามยากอาริยมรรคกับพระนิพพานเนี่ยนะเป็นธรรมที่สงบแล้วก็เป็นธรรมที่ประณีตไม่ใช่ว่าตรึกวิตกไปเรื่อยคิดไปเรื่อยแล้วเข้าใจไม่ใช่เนี่ยนะ พเพราะอะไรเพราะอริยมรรคเนี่ยแค่เดาๆเอาว่าเอา๊ะมรคงเป็นอย่างงั้นมั้งไม่แต่เป็นภาเวตประธรรมเป็นธรรมที่ต้องเจริญขึ้นเป็นธรรมที่ต้องทําให้มีขึ้นเพราะธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมที่ละเอียดแต่บัณฑิตก็รู้ได้นะนะก็คือคนที่บัณฑิตสั่งสมบุญกุศลเนี่ยนะคนที่ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติที่ถูกต้องก็พอที่จะรู้ได้ถ้าปฏิบัติตามเป็นคนที่เป็นผู้มีปัญญาเนี่ยนะ ประเกิดด้วยติเหตุกะปฏิสนทิและก็มีสุตยยะตะมยญาณปฏิบัติโดยปริหาริกะเจริญวิปัสนาและก็ประพฤติดโดยปฏิบัติชอบปฏิบัติตามโพธิปัจิคยธรรมก็สามารถที่จะตรัสรู้สัจธรรมไงนะกำหนดรอบรู้กองทุกละสมุทัยทำพระนิพพานให้แจ้งได้นะก็สรุปว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นของ ยากยากไม่ยากก็ดูอา่านพระไตรปิฎกเธอเนี่ยนะก็จะรู้แล้วว่าคระว า, า, าให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าบอกอะไรเราก็ยังไม่ง่ายเนยจะกล่าวไปยายถึงว่าทําตามแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเหมือนหนทางไกลเนี่ยนะหนทางไกลที่มันประกอบไปด้วยความซับซ้อนพอสมควรเนี่ยแค่ฟังให้รู้ว่าจากไหนจะไปไหนไปอย่างไรเนี่ยนะอย่างยากจะกล่าวไปยายถึงเดินทางจริงๆเนี่ยนะกว่าจะรู้ว่าศีลคืออะไรและจะปฏิบัติในการรักษาศีลก็ไม่ ไม่ง่ายเลยเนี่ยนะเจริญสมถาวิปัสนาคืออะไรถึงรู้แล้วก็จะเจริญให้ต่อเนื่องก็ไม่ใช่ของง่ายถึงเจริญต่อเนื่องและจะบับบรรลุได้ก็ไม่ง่ายถ้าไม่ได้สั่งสมบุญหรือตั้งอัตตะสัมมาปณิธิสมาทานอธิษฐานตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วยากว่างั้นนะนะพอะเหตุผลนี่แหละเลยเลิกเลยเนี่ยอ้าวมันยากมันรู้จะเรียนเพทําทำไมขนาดผู้สั่งสมบุญขนาดนี้ยังบรรลุยากของเรามันบุญน้อย เลิกดีกว่ามั้งไงนี่ไหมไม่มีใครเขาคิดอย่างนี้หรอกนะนะก็บอกว่าแต่เขามีคนที่เขาทําสําเร็จนะมีคนที่เขาบรรลุมรรคผลได้นะของเราเนี่ยนะเราจะรีบไปไหนเมื่อก่อนก็ไม่เห็นรีบอะไรขนาดนี้เลยวันนี้นึกอยากรีบขึ้นมาอย่างไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มานั่งนึกว่าเออเนี่ยเราก็ตั้งใจขอให้มันเดินถูกทางเถอะใช้เวลาบ้างก็ นะก็ก็ไม่เป็นไรอย่างบางคนเนี่ยแปลกเนี่ยนะเขบอกว่าเออเนี่ยมาศึกษาธรรมะตอนอายุมากๆเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรีบปฏิบัติให้มันบรรลุโดยเร็วพลันเนี่ยนะมาศึกษาตอน50บมั่ง60บมั่ง70บมั่งเพราะฉะนั้นต้องรีบบรรลุให้ได้ไม่บรรลุไม่ได้เอาที่60ปีก่อนนะ่ยช้าอยู่ได้เนี่ยนะทำเป็นจะรีบวันสุดท้ายจะทําอะไรได้เนี่ยนะ ถ้าจะรีบน้งนรีบตั้งกันเล็กก น, น้อยอายุตั้งส่อหหขวบฟังนะโมเลยผู้ได้คาแรกก่อ น, นะโมตัสสะพระควะตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรียนมาจนเออถ้าตั้งกันนั้นมาเนี่ยนะเราบอกมารีบในตอนท้ายมันค่อยฟังสมเหตุสมผลขึ้นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะสั่งสมมานานแต่นี้ถ้าสั่งสมมาน้อยทําไงดีก็ค่อยๆเจริญทําความเข้าใจไปเถอะถามว่าอะไรควรจะรีบเบื้องต้นรีบรีบศึกษาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ถ้าจะรีบขอให้รีบในจุดนี้แล้วก็รีบศึกษาว่าธรรมเนี่ยดีอย่างไรแล้วก็รีบศึกษาว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรรีบๆตรงนี้รีบเอาสาระก่อนแล้วเจริญสัมมาทิฏฐิให้มีความเข้าใจในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้บอกมากพอแล้วใช่ไหมเล่าพุทธประวัติได้ก็แล้วกัน พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธรมีพระพุทธบิดาชื่อว่าพระมารดาชื่อว่าประสูตณนะที่นั้นนะเดินได้เจ็ดก้าว แล้วก็ครองคารวาตวิสัยมีปร า, าสาทสมหลังสนมกํานันสี่หมื่นนางอยู่จนอายุ29ปีแล้วออกบวชวันออกบวชก่อนออกบวชเห็นเทวทูตทั้ง4ี่ออกบวชแล้วก็มาอยู่ในสํานักอาจารย์นั่นอยู่อมหาอุตกาดาะดาบทอาลาระดาบทแล้วก็มาเนี่ยมาที่ต้นโพประพฤติความเพียรอยู่ไม่นานก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะจักจนในปริจจุพันที่เมืองกุสีนารามีการแบ่งพระธาตุแค่นี้พอหรือยังพอไหมเหรอ คุณคิดว่าพอไหมล่ะที่คุณจะบรรลุว่างั้นเถอะนะแต่ตั้งคําถามอ่ะนะเท่าที่พูดมาเนี่ยพอไหมที่จะบรรลุก็ถามว่าเออแล้วพระพุทธเจ้าอ่ะ น, นะปุพพะเจริยาคุณสร้างเหตุอะไรมาปรับความเข้าใจว่าทําไมเนี่ยนะถ้าเราออกไปที่ต้นโพมัง่งเราไม่ได้บรรลุหรือไงเราจะบรรลุว่าอะไรเอาเพราะฉะนั้นถ้าเราเออไหนๆเนี่ยอย่างสมัยนี้เนี่ยนะเราก็รู้เลยใช่ไหมต้นโพมอยู่ที่ไหน ค่าเครื่องบินก็รู้อยู่แล้วอาจจะพอมีค่าเครื่องบินไปเนี่ยถ้าไปแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติเขาอนุญาตให้ไปนั่งแท่นตรงนั้นบ้างอะ่ะคิดว่าเราจะบรรลุได้ไหมบรรลุอะไรออก่ะอันนี้แเราที่สําคัญมากที่สุดว่าไอ้เบรรลุอะไรกันพระพุทธเจ้าท่านบนรรลุอะไรก่อนบนรรลุท่านคิดอะไรแล้วท่านบนรรลุแล้วท่านบรรลุว่าอย่างไรอันนี้เนี่ยที่อยากจะเน้นอยากจะย้ําเหลือเกินว่าพระ ท่านตัดสรุอะไรท่านตัดสรุว่าอย่างไรสิ่งที่ท่านตัสรุนีดีอย่างไรทำไมท่านตัสรุเสร็จท่านบอกว่าทมที่เราบรรลุเนี่ยลึกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตอย่างลงไม่ได้ด้วยการตรึกไม่ใช่ดาวคา ด, า ด, าดคะเนใข้ควรไปรื่อยเดี๋ยวก็รู้เองไงนะไม่ใช่แต่เป็นธรรมที่ละเอียดเพราะเป็น พระนิพพานเนี่ยนะเป็นสัจชิกาตปาธรรมเป็นธรรมที่ต้องทําให้แจ้งอริยมรรคเป็นภาวเวตปธรรมที่ทําที่ต้องเจริญขึ้นและการเจริญเนี่ยต้องเจริญโพธิปัจจะธรรมอันประกอบไปด้วยสัมมรปราปาทานอิทิบาทอินรีย์พะละโพชงและองค์มรรคที่สําคัญก็คือต้องเจริญอริยมรรคจึงจะได้กําหนดรอบรู้สิ่งที่ควรกาหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งแล้วก็ได้เจริญในคุณธรรมทั้งหลายที่ควรเจริญ ซึ่งจะต้องเจริญคุณธรรมพอสมควรจึงจะมีการตรัสรู้ถ้าไม่ได้เจริญคุณธรรมเหล่านั้นแล้วจะตรัสรู้อะไรแล้วก็ตรัสรู้ว่าอย่างไรเนี่ยนะนี่ก็มาป่ารบแล้วเสร็จแล้วพวกเราก็คิดต่อไปว่าอ้าแล้วหมูสัตว์ทั้งหลายในตอนนั้นอ่ะนะคือพื้นฐานปกติวิสัยนิสัยของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรอัะนนะัพื้นเพคความรู้สึกนึกคิดความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายจริงๆแล้วสัตว์ทั้งหลายอ่ะเขาคิดอะไรกัน คือคือมันต้องรู้ความต่างกันใช่ไหมเรียกว่ารู้เขารู้เราอ่ะนะมันก่อนนั่งรถไปเห็นป้ายเขาบอกเรียกว่าอะไรนะถ้ารู้เรารู้เขารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งอันนี้ก็ต้องรู้ว่าพระฝ่ายพระพุทธเจ้าคิดอะไรแล้วก็ผู้ที่เฝ้าวัดตะทั้งหลายเขาคิดอะไรต้องแยกสองทางนี้ให้พบไม่งั้นเราก็รู้ไม่ได้หรอกว่าเราคิดสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐหรือว่า สแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐคิดตามแนวทางของพระอริยะหรือไม่ได้คิดตามแนวทางของพระอริยะต้องแยกให้ออกพระพุทธเจ้านี่เห็นชัดพงษ์บอกว่าธรรมะที่พระงค์ตรัสรู้นั้นลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ยากสงบประณีอย่างถึงไม่ได้ด้วยการตรึกเป็นธรรมที่ละเอียดรู้ได้แต่เฉพาะบัณฑิตส่วนหมู่สัตว์นี่สิเป็นผู้เพลิดเพลินเนี่ยนะ สัตว์ทั้งหลายปกติอยู่ด้วยความเพลิดเพลินในอาไลก็แปลว่าเพลิดเพลินที่จะถูกล่ามเหมือนกันเถอะอาไเนี้แปลว่าเยื่อใยเป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสโภตาภะหรือเป็นชื่อของตันหาสัตว์ทั้งหลายเพลิดเพลินมากเมื่อมีตันหามีความสุขที่ตัวเองมีตันหาวันไหนที่ตันหามันลดลงนะสัตว์เดือดร้อนเลยนะโดยมากนะถ้าถ้าสัตว์ที่ไม่ได้มีอัธยาศัยวิวัตตะวันไหนที่ตันหาเขาลดลงวันนั้นเขาเดือดร้อน เช่นวันไหนทานอาหารไม่อร่อยเนี่ยมันก็ไม่สนุกเลยนะวันไหนนอนไม่หลับนอนไม่หลับอย่างที่อยากหลับอ่ะนะคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องอย่างที่อยากตัวเองต้องการเนี่เดือดร้อนนะนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าตันหาเขาลดลงเมื่อไหร่เขาเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าตันหาเป็นสิ่งที่ที่ดี ท, ที่เจริญที่เขาทําทุกอย่างเพื่อให้ตันหาเนี่ยมันมั น, ม, นมันเป็นไปได้อย่างมีความสุขเพราะถ้าตันหามันลดลงเขาก็เดือดร้อนเห so มือนเขาเพลิดเพลินใน ตันหายินดีหมกมุ่นอยู่ในตันหาเพราะฉะนั้นยากที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นปัจจัยแห่งธรรมเหล่านี้ได้ไอ้ความที่เขาเพลิดเพลินหมกมุ่นอยู่มากเขาคิดไหมว่าชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเห็นคนแก่ปั๊บตัวคิดเลยใช่ไหมเห็นแก่เห็นตายปั๊บนึกนี่ถ้าเขาไม่เกิดเขาจะแก่เขาจะตายอย่างนี้หรืออย่างนี้เลยไหมทุกครั้งที่ไปงานศพเนี่ยนะ ท, ท่านบอกอเดี๋ยวไปงานศพก่อนนี่คิดเออเพราะเกิดแท้เนี่ยนะ ก็เลยเนี่ยต้องมีแก่แล้วก็มีตายเห็นใครที่ชราปับ๊บพอ น, นึกถึงตัวเองปับ๊บอายุเท่าไหร่ปับ๊บแก่แล้วก็เดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยนะเพราะเกิดแท้ๆความเกิดช่างเลวร้ายแท้ทําให้เราแก่แล้วก็ตายเพราะเกิดแท้ๆจึงแก่แล้วก็ตายพ อ, อแล้วเกิดพูดถึงปับ๊บอา่าเขาเกิดแล้วนะคนนั้นเกิดคนนี้เกิดเกิดนี่มีพบเป็นปัจจัยกรรมเนี่ยจำแนงให้เขาเกิดตามที่ต่างๆนี่ สาวไปอย่างนั้นต่อไหมว่าความเกิดมีกรรมเป็นปัจจัยคือกรรมมพบเป็นปัจจัยพบทั้งหลายเนี่ยนะกรรมมพบคือกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมมีมีอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยนะกรรมอุ ป, ปาทานที่ถูกปาทานเป็นต้น อ, อุ ป, ปาทานเหล่านั้นมีตันหาเป็นปัจจัยตันหาก็มีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามาจากทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาก็มีภาษะเป็นปัจจัยภาษาก็มี อายตนะคือตาหูจมูกเลนกายกายใจเป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปก็มีปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยปฏิสนธิวิญญาณก็มีกรรมเป็นปัจจัยกรรมก็มีอวิชชาเป็นต้นเป็นปัจจัยเรียกว่าปฏิจจส ม, มุปบาทสาวชีวิตความเป็นไปความเป็นมาของชีวิตและชีวิตมาอย่างไรชรามรณะเป็นต้นมาอย่างไรเมื่อแก่เมื่อตายอย่างนี้แล้วก็นําไปสู่การ เกิดในพบใหม่การเกิดในพบใหม่ก็นำไปสู่ชราและมรณะสังสารวัตวงจรของวัตตก็เป็นไปอย่างนี้แค่คิดตามแค่นี้ยังยากเลยว่างั้นนะนะ